พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13ปพระสูตรที่43สสอัศลายณะสูตรสูตรว่าด้วยมานุชื่ออัศลายณนะพระผู้มีพระภาคประทับนเจตวนารามครั้งนั้นพวกพรามชาวแว่นแควนต่างๆประมาณห้าร้อมาพักอยู่ในกรุงสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างต่างปรึกษากันว่าพระสมณะโคดม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 ชาติไม่สำคัญเท่ามนต์มนต์ไม่สำคัญเท่าความประพฤติเป็นการจำนวนต่อเหตุผลอย่างสมบูรณ์เมื่อกล่าวจบอัศลายณะมนต์ก็นิ่งเกอ้อเขินก้มหน้าจึงตรัสเล่าเรื่องอัสตะเทวลฤๅษีไปปราบรามณีฤๅษีเจ็ดตนผู้มีความเห็นผิดในเรื่องวันณพราหมณ์ว่าประเสริฐสุดด้วยการแสดงเหตุผล